สังคาที่เศษสิกขาบทที่5เพราะภิกษุณีกำหนัดรับของเคี้ยวหรือของฉันจากมือชายผู้กำหนัดด้วยมือของตนแล้วฉันต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. รับประเคณด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุลจใจัย 2. ฉันต้องอาบัตสังคาทิเศษ ทุกๆคำกลื่น 3. รับประเคนน้ำและไม้ชำระฟันต้องอาบัดทุกกฎ